สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ้านนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่สี่ร้อยห้าสิบสองเรื่องผลและของพระทานจากพระวิญญาบริสุทธิ์ตอนที่ห้าเพียงครับในเช้าวันนี้เราจะมาดูถึงบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลเมื่อวานนี้ผมได้กล่าวไปถึงเรื่องของการหวานและการเกี่ยวซึ่งเป็นกฎของพระเจ้า ถ้าวานย่านเนื้อหนังเราก็จะเก็ดเกี่ยวความเป่ย์เด้าถ้าเราวานในย่านของพระวิญญาณเราก็ได้เก็ดเกี่ยวผลคือชีวิตนิรันดร์ในเช้าวันนี้เราจะมาดูถึงข้อทศจริง เจ้าให้เราเติบโตอย่างช้าๆตามเป้าหมายของพระองค์พระเยซูได้ทรงเคยใช้คำอุปมาว่าเริ่มแรกนั้นก็สีใบจากนั้นก็เกิดเป็นรวงข้าวหลังจากนั้นก็เมล็ดข้าวก็แต่งงามเต็มรวงเราอาจจะกล่าวเกี่ยวกับผลว่าเริ่มแรกนั้นสีไปต่อมาก็สี ด, ดอกหลังจากนั้นดอกก็บาน แล้วก็เกิดผลอุดมสมบูรณ์นะครับอย่างช้าๆตามกฎเกณฑ์ของการหว่นและการเกี่ยวถ้าเป็นข้าวเราก็จะเห็นถึงเวลาที่ข้าวนั้นมันเริ่มเกิดรวงนะครับเม็ดมันเนี่ยก็จะอ่อนครับแล้วก็เขียวนะครับไม่น่ากินแต่ต่อมานั้นเมล็ดข้าวก็ค่อยๆอวบเต่งขึ้นมา เริ่มมีสีสันหลังจากนั้นก็กลายเป็นเมล็ดข้าวที่เต็มแล้วก็พร้อมสีให้เกี่ยวได้ผลไม้ก็เหมือนกันครับผลไม้ก็ค่อยๆจากดอกแล้วก็กลายเป็นลูกเล็กๆแล้วมันในที่สุดก็เติบโตเป็นผลไม้ที่มีสีสันที่เต็มมือพี่น้องครับ วันการที่เป็นไปตามธรรมชาติเหล่านี้มันสามารถเปรียบได้กับชีวิตของคริสเตียนซึ่งจะกําเนิดผลของพระวิ ญ, ญญาณก็เป็นอย่างเดียวกันครับเมื่อพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ทรงปลูกฝังชีวิตในจิตวิ ญ, ญญาณในชีวิตของเราภายในช่วงพิจาราเดียวเมื่อเราบังเกิดใหม่นั้นเราจะรับการเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนในลักษณะของเนื้อธรรมชาติ ทีนี้ต่อไปชีวิตเราก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติอุคลิกภาพของเราจะถูกเปลี่ยนไปแท้จริงแล้วเราต้องการสภาพบางอย่างที่อํานวยการให้มีการเติบโตสภาพซึ่งเราต้องรับผิด ช, ชอบหลายสิ่งหลายอย่างครับเป็นการร่วมมือระหว่างตัวเรากับสิ่งแวดล้อมตัวเรากับคนอื่นนั่นคือในบรรยากาศของคืนเสียนในบรรยากาศของ น้องในบรรยากาศของกลุ่มแคร์ในบรรยากาศของกลุ่มเซลล์ในบรรยากาศของกลุ่มสามรรถคิดทำต่างๆในครึกจักรสิ่งเหล่านี้ครับเป็นปัจจัยเอื้อต่อการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณของเราในชาวันนี้สิ่งที่ผมจะเน้นก็คือเน้นที่กระบวนการครับชีวิตของเรานั้นจะต้องบริสุทธิ์มากขึ้นเป็นกระบวนการที่เรียกว่า sanctification คือการ เน้นการชำระให้บริสุทธิ์ชำระชีวิตของเราให้บริสุทธิ์เพื่อจะเกิดผลฝ่ายวิญญาณที่เติบโตมากยิ่งขึ้นพี่น้องครับพ้าวิญญาณบริสุทธิ์ส่งฝังชีวิตในพระวิญญาณเข้าไปใหม่เพื่อเติบโตขึ้นเราจะต้องมีชีวิตที่ไม่เจ็ดดนาอะอามณ์มาลอยกับความบาปคับ อย่ามีเจตนาที่จะให้ชีวิตของตนเฉื่อยชาหรือเข้าสู่คอมฟอร์ตโซนหรืออย่าลดความมุ่งหมายเป้าหมายของเราที่เราเคยตั้งไว้เพียงกับเราไม่ใช่ชาวสวนกับมารอครับที่พยายามจะเร่งหรือเอาทุเรียนนั้นไปแช่ยาหรือผลไม้นั้นไปบ่มโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องเพื่อให้ผลมันสุกงอมในทันทีเพื่อที่จะขายได้ พวกนี้เ็าเรียกชาวสวนกรรมลอก็คือชาวสวนที่ไม่รู้วิถีความเป็นไปตามธรรมชาติและเห็นแก่ป ร, ประโยชน์และผลประโยชน์ก็คือเงินทองทันบางคนก็คิดว่าตัว น, นั้นอยู่ในยุคเทคโนโลยียุคของความรวดเร็ว fast life ไม่ใช่ slow life เพราะฉะนั้นเน้นประสิทธิภาพโดยพยายามลดเวลา ลงให้มากที่สุดเพี่อกับในการเติบโตฝ่ายวิญญาณครับมันจะค่อยเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ใจร้อนเพราะวิญญาณบริสุทธิ์นั้นไม่ได้สรงรีบร้อนเพราะอะไรครับเพราะว่าพรงทรงทราบนะครับว่าอะไรมีอยู่ในเรา ความรู้สึกผิดและเกิดความท้อใจเมื่อเราพลาดไม่ว่าเราจะพลาดเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็ตามแต่ขอให้เราลุกขึ้นขอให้เราเอาจริงเอาจังขอให้เราฝึกฝนและยอมรับความผิดพลาดนั้นและแก้ไขความผิดพลาดนั้นพยายามอย่าใช้คำว่าผมก็เป็นของผมอย่างนี้ผมเป็นคนอย่างนี้ผมไม่สามารถแก้ไขได้ดิฉันไม่สามารถทำให้ดีขึ้นกว่านี้ได้ ฉันมีเท่านี้แหละมีฉันไม่อยากที่จะให้เป็นไปในทางที่ดีมากกว่านี้พี่น้องครับหลายในคนที่ท้อใจไม่อยากรับใช้พระเจ้าเพราะเหตุที่ว่าเราอาจจะไม่เก่งเท่าคนอื่นผมอยากจะให้กำลังใจครับหละในคนท้อแท้ใจไม่อยากรับใช้พระเจ้าเพราะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันกระตุกเราทําให้สรดุดผมอยากจะ หนุนใจพี่น้องครับให้เราลุกขึ้นมาใหม่เมื่อเราเข้าใจงานของพระเจ้าซึ่งดําเนินไปตามลําดับพี่น้องครับเราต้องปรับตัวของเราที่จะกระตือรือร้นมากขึ้นนี่เป็นประการแรกครับเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องของชีวิตระยะยาวนะครับเราต้องปรับตัวประการแรกคือหนึ่งเราต้องกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นในการร่วมมือกับพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์จะต้อง ปลูกผลไม้นะครับกระตือล้นที่จะปลูกผลไม้กระตือล้นที่จะตั้งเป้าหมายที่จะให้เกิดผลของวิญญาณมิสูตรให้มากขึ้นมากยิ่งยิ่งขึ้นประการที่สองก็คือเราต้องระมัดระวังในการหวานให้ดีครับชีวิตของเราที่ผ่านมาเราอาจจะระมัดระวังดีเล็ก อ, อยู่แล้วแต่ขอให้เราระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้น นะครับหากเราต้องการเก็บเกี่ยวพืชผลที่ดีมากกว่านี้หากเราปรารถนาที่เราจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์มากกว่านี้หากเราปรารถนาที่จะมีชีวิตที่พระเจ้าใช้เรามากกว่านี้หากเราปรารถนาที่จะได้รับพระพรของพระเจ้าและให้ชีวิตของเรานั้นเป็นทานแห่งพระพรให้พระพรไหลผ่านชีวิตของเราให้คนอื่นมากขึ้นเราจะต้องระมัดระวังในการหวานครับประการที่สามประการสุดท้าย เราจะต้องกดขันและเบียบวินัยของเราระเบียบวินัยของเราในเรื่องอะไรครับระเบียบวินัยของเราในเรื่องของการมีความสมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าคือการอ่านพระเจนะของพระเจ้าคือการเข้าเฝ้าพระเจ้าและระเบียบวินัยของเราในการสร้างความสมพันธ์กับคนอื่นๆที่น้องครับหลายคนก็ไว้วางใจพระเจ้า แต่ไม่เคยไว้วางใจคนอื่นเลยทําให้เราขาดพะพรอันเกิดเนื่องจากการสามัคคีธรรมเราต้องมีระเบียบวินัยในการทําสิ่งต่างๆระเบียบวินัยในการใช้เวลาระเบียบวินัยในการคบหาสมาคมกับคนอื่นๆระเบียบวินัยในการรับใช้พระเจ้าระเบียบวินัยในการมีเวลาให้กับครอบครัวให้กับคู่สมรสของเราเพราะเหตุที่ ทั้งหมดนี้เป็นพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าจะประทานให้กับเราตามที่เราปรารถนาหรือไม่นั้นนี่คือพระคุณของพระเจ้าครับให้เราขอครับถ้าเรารู้สึกว่าชีวิตของเรานั้นยังมีระเบียวบวินัยไม่พอขออย่าให้เราท้อถอยครับแต่ให้เรามุ่งมั่นปรารถนาที่เราจะมีระเบียวบวินัยมากยิ่งขึ้นและ ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเบ่งบานและสุขงอม ช, ช่าเข้มชื่นใจในชีวิตของเราเราจะสามารถสัมผัสถึงความชื่นชมนดีระดับนี้ได้เราจะสามารถสัมผัสถึงความภาคภูมิใจความอิ่มเอิบใจในระดับนี้ได้เราจะเจริญขึ้นด้วยพระคุณของพระเจ้าในพระคุณของพระเจ้า และโดยพระคุณของพระเจ้าเมื่อเราถอยกลับมาดูชีวิตของเราเราก็จะรู้และเราก็จะมั่นใจในการก้าวเดินต่อไปขอพระเจ้าอวยอพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน